พระธรร ม, มเทศนาของพันโอษาน ร, รงศักดิ์กิานตอนรู้ต้นจิตจิตต้นผลหวยหวนตอนที่สองเลยมาพิจา่ะาอ้าแได้เรื่องที่ทำให้ถก ม, มีอย่างเดียวคือ ย, ยังไม่บรรลุนิพพานอ้าเนี่ยเพราะอยากบรรลุนิพพานนี่เองไงเนี่ยเห็นไหมมันเลยต้องเห็นจิต ขณะที่มันยังดิ้นหลนพยานอยากที่จะหาเป็นฝันดิ้นหล่นค้นหาดิ้นหล่นค้นหาเดิด น, นหล่นควักควกวเมื่อมันหยุดดิ้นหล่นค้นหาเนี่ยเออมันก็เลยใจที่มันเนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะไอ้จิตทวันดิ้นหลนจะหาไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วทุกายก็ไม่เอาแต่จิตมันเนี่ยมันไม่เอาจริงจริกันไงมันแกไ้ไม่เอาไม่เอาแต่อย่างอยากได้ <laughs> เคยแก้งทําอย่างนี้หลายหนไม่เอาแล้วไม่เอาก็ได้ ไม่ได้สัดีไม่เอาก็ได้แต่ยังอยากได้โอ้ยหลอกตัวเองมาหลายรอบแล้วไม่เอาแล้วไม่เอากมได้อยากทุกนักปฏิภาณเนี่ยไม่เอาไ็ได้ที่ไหนได้่ันดี้ก็ดีกระดกได้อีกแล้วกูจะเอากูจะเอานิพพานกูจะเอานิพพานกูยังไม่ได้นิพพานเป็นทุกข์มากเลยมันหลอกใครหลอกใด้แต่หลอกใจตัวเองมันหลอกไม่ได้ ผลิท้ายมันจึงต้องเห็นจิตที่มันดิ้นหลนทะยานอยากมันจะไม่เลิกดิ้นหล่นทะยานอยากจึงต้องเหน็นกิริยาอาการจิตที่มันดิ้นหล่นทะยานอยากยาอยากจะได้ผลิตภายดิ้นหลนค้นหาดิ้นหลนค้นหาหาอูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความพยายามพยายามพยายามที่จะให้ได้ผลิภายพอมาเห็นเอ้านี่ไงไหนว่ไม่เอาแล้วนะมันยังไม่ยังดิ้นเลยแลไม่เอาะแล้วหาทําไมไม่เอาแล้วหาทําไมไหนบอกว่าไม่เอาแล้วจะหาทํำไม เอออย่างเงี้ยยิง่งเห็นแล้วก็นี่เนี่ยมันทําให้คุกข์กัมันมานานนะทุกข์ก็มาหลายปีวางมันไปเลยเออพอวางแล้วอาจจะต้องคอยรู้ต่อทานมันก็ไม่ต้องรู้ต่อทานเพราะเห็นมาและเห็นโทษมนันพอวางแล้วมันก็เลยสงบพอสงบแล้วมันก็เป็นนิโรธเออพอพูดถึงนิโรธมันก็เลยเออมันก็เลยพูดกันแล้วสุขสบายใจ แต่พอพูดถึงมันก็คอยคอยรู้เล่ารู้ไล่รู้โตทันอ้ยังวุ่นวายกับการไล่รู้โตทันในไอจิตพิบูตรแต่งนี่ลงทยานอยากนี่แหละอยากไปในทางโลกอยากไปในทางธรรมแม้แต่อยากดีกว่าก็ยังดิ้นครวต้องคอยรู้โตชันมันรู้โาชันมันแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่รู้โตชันเมื่อไหร่แล้วมันจะสงบมัะใจมันปลายทางมันยังมีความอยากอยู่เงี้ยไอความอยากที่ปลายทางมันยังไม่เลิกมันก็สงบได้พักเดียวเดี๋ยวก็กระโดดนะเหมือนกับแก้ทำแบบแมวก็ได้อยากทุกนั้นมันไม่านยังไม่เอาก็ได้ แต่ไม่เอาจริงไม่เอาจริงมากเดี๋ยวก็โดนขึ้นหาไปอีกแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่เอาจริงๆต้องอ่านใจจงให้ขาดเนี่ยไม่ใช่ว่านีคนบอกว่าถ้า่งั้นจะปฏิบัติทำไมถ้านี้ผ่านยังไม่อยากให้เอาเลยแล้วจะปฏิบัติทำไมอย่างนั้นเริ่มปฏิบัติกลับไปนอนบ้านดีวกว่าเอออย่างงี้ก็ไม่ใช่อืมันต้องทิ้งหมดแล้ว ทุกอย่างนะจิตที่เดินนิรันทยานอยากไปจะเอาอะไรอยากได้อยากรู้ <palace> อยากเอาอยากได้อยากร Fore ู้อยากเห็นอยากเป็นอยากอยากอย่างนู้นอยากอย่างเนี้ในมันหมดไปทุกอย่างแล้วแต่มันเหลืออยู่อย่างเดียวนั่นแหละมันถึงเห็นว่าเออไอเนี้ยมันยังเป็นกิเลสอยู่ก็วางมันลงมัางแค่นั้นแหละแต่ความอยากอนบุรีพานี่นี่มันยังเป็นกิเลสอยู่อ๋อเขาลวางมันไปแล้ไม่ใช่บอกว่าอ๋อทั้งทั้งความอยากนบุรพานแล้วมาปฏิบัติทำไมไอที่มาปฏิบัติก็เพอยากบนบุรีพานนี่แหละ ก็ใช่ก็ถูกแล้วมันต้องมาปฏิบัติเพราะอยากริ้ที่ผ่านเนี่ยมันเลยมาปฏิบัติมันเลยต้องเห็นจิตเนี่ยที่มันยังดิ้นรนทะยานอยากนะอยากทิพผ่านเนี่ยจิตก็ดิ้นรนทะยานอยากกลไปหาครอบครัวกับไปหาคนรักกับไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นมันจะต้องเห็นเห็นแล้วก็วางทั้งหมดเพราะว่ามันทุกมันยังเป็นทุกอยู่ก็วางแล้วไปเลยอ๋อแล้วทาไมยังไม่ไม่รู้ที่ผ่านเไม่อยากรู้ที่ผ่านเออมันเลยวางเออไม่ไม่เห็นจิตเลย ไม่เห็นมันเป็นตัวสุดท้ายเออไม่ใช่บอกว่าโอ้ถ้างั้นไม่ต้องปฏิบัติมันต้องมาเพราะว่าอยากปนิบัติเนี่ยครับยังไม่ยังไม่เอาเลยยังไงจะมาปฏิบัติทําไมเอาก็ไม่วาปฏิบัติก็เลยไม่ไม่ได้อเลยด้อดีเหมือนกันเน่ยพราะช่างแก่แล้ว嘛เจ็บกลับไปก็ไม่มีใครเลี้ยงจะไม่กังวลอะไรไม่ต้องกลับไปไม่ต้องเป็นต้องไปห่วงใครพราะกลับไปอาจาต้องบาดใจหมดแล้วก็กลับไปเขาคงไม่เลี้ยงแล้วคนแก่ๆใครจะไปเลี้ยงใจมันเลยอื้ม ไม่คิดจะกลับไปไหนและไม่คิดจะไปไหนไม่คิดจะกลับไปไหนไม่คิดจะไปไหนเพราะปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีอะไรยินดีใจยังอยากอะไรอยู่ในปัจจุบันก็ ย, กกยังทุกข์อยู่ถ้าปัจจุบันสิ้นอยากก็สิ้นทุกข์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปัจจุบันสิ้นอยากก็จบลงที่ใจนะ อ้าวไออยากใช่ไหมผูดต่างนานอือเขอ้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่างที่หนูได้อ่ไปยินด้วยฟังมาเนีนะคะถ้าสมว่าอย่างอ่าคุณบังการหลายท่านนะคะที่บอกว่า ถ้าเราต้องการที่ทานเราต้องแบบว่าเหมือนกับมีที่สัญญาอันนี้จะใช้ได้ไหมสัญญาเนี่ยเขาว่าถ้าตับใดที่สมมุติอล้นะคะถ้าว่าตัดไดที่ข้าเจ้ายังไม่บรรุเนี่ยเป็นนั่งอยู่ตรงเนี้ยจนตายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะจะจะเป็นยังไงครัโอ้ยทำให้ตายก็ตายจริงๆอ่ะเพราะว่าได้ยินได้ยินได้ฟังอะไรก็เลยแบบ ก็ S <S เราเป็นพุทธเจ้าหรือเปล่าล่ะเจ้าท่านรู้แล้วว่าวันนี้จะบรรลุอรหันต์สัมม า, าสมาัมพุทธเจ้าท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่บรรลุอรหานต์สัมมาสพุทธเจ้าเจ้าเลยเอามานนี้น้นาวันน้งคืนนั่นเลยไม่ลุกไปไหนหรอก ต, ตายเป็นตายรู้อยู่แล้วเพราะปฏิบัติจนถึงขั้นนี้มีชั้นที่แปดแล้วพวกปฏิบัติจนถึงชา้นที่แปดแล้วชา้นที่สี่มันก็ล่ววดีร่วงนาคข รู้ไปหมดทุกอย่างแล้วนี่ท่านปฏิบัติมันจะถึงฌานที่แปดแล้วเพราะฉะนั้นท่านรู้เราเราในใจของพระ อ, องค์แล้วเราว่านะไอ้ตำร้านี่ไม่มีแต่เราว่าพระ อ, องค์เนี่ยปฏิบัติมาถึงฌานที่แปดแล้วแค่ฌานที่สี่เนี่ยมันก็สามารถรู้แล้วรู้อดีตรู้อนาคตรู้ความเป็นไปได้แล้วอันนี้มันฌานถึงฌานที่แปดแล้วพระพุทธเจ้าเะฉะนั้นท่านพระ อ, องค์รู้รู้ตัวพระ อ, องค์แล้วว่า เคืนนี้จะสำเร็จแน่นอนเราเข้าใจอย่างนั้นด้วยาและฌานขององค์ที่ปฏิบัติมาจนแก่กล้าแล้วนั้นเราไปเอาอย่างท่านได้อย่างไงบารมีของท่านท่านรู้แล้วว่าเต็มรอบแล้วแับนี้บารมีเต็มรอบแล้วถึงเวลาแล้วที่จะในวันนี้บารมีเต็มรอบแล้วทุกอย่างพร้อมผูพร้อมแล้วเสร็จกับวันนี้เนี่เมื่อบารมีขององแล้วนี่แล้วท่านกับองา์วันนี้เนี่ยบรรลุวินิันธ์บรรลุอรหันตสมาสมพระเจ้าแน่นอน จะไม่ยอมลุกไปไหนไหนะยอมตายตรงนี้ไหนะคงก็บรรลุเลยแต่ลุเราวารุานานะ่นมากๆมีความรู้สึกไว้ก่อนแล้วลว่าจะบรรลุวันนี้เนะี่ยเร า, าไม่มีบาระะมีอย่างท่าเป็นอธิษฐานก็เลยมันจะนั่งให้ตายเลยตายตายจริงๆนะนั่งจริงๆแต่เมื่อคตายละปวยปวดเจ็บปวดออกมาจริงบรรลุแล้วมา ย, ย, ย, ย, ย, ยอมนั่งจนตายหรอเข้าใจไหมต้องสำรวจใจตัวเองวางหมดหรือยัง พปราชญ์หาปณิันปัจจุบันต้องวางถ้ามีอะไรอยู่ในใจย่อมทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่มีทันทีทางสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่เอามาไว้ในใจใจก็จะว่างเปล่าแต่ถ้าเรามีอะไรแล้วเอาสิ่งนั้นมาไว้ในใจเราเราจะมีเราจะมีความทุกขทันทีแต่ถ้าสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราไม่เอามาไว้ในใจใจเราก็จะว่างเปล่าสบาย เราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องภากลางไกลหนีออกจากกันแล้วไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาไม่ได้ทำหน้าที่แม่ของลูกไม่ได้ทำหน้าที่ลูกของแม่หน้าที่ยังต้องทำอยู่มีลูกก็ต้องตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นลูกก็ต้องตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นบิดามารดาก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกเป็นสามีภรรยากันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าทอดทิ้งกันเราอยู่เลี้ยงลูกเราจนโตจนเลี้ยงลูกเขาจนโตจนรอดปากเหยียบปากกาแต่งงานแต่งการมีมีลูกมีหลานแน่เป็นหน้าที่เราเลี้ยงเขามาแล้วเขามีหน้าที่จะต้องไปเลี้ยงลูกของเขาไปไม่ใช่เราไปช่วยเขาเลี้ยงไมม่พ่อไม่น่าไปรีบไปบวชเลยหนูจะเอาหลานไม่พ่อเลี้ยงก็หน่อยอุ้ยข้าเลี้ยงเองว่าจะจะโตจะตายแล้วลาบากจะตายจะเอาเอาหลานเองไหมข้าเลี้ยงเองไม่เอาหรอก แลลูกก็เองไม่าเลี้ยงอีกคาเลี้ยงเองคือาก่อแรงนะเลีเ้ยงอุตสาหล์ลำบากยากเข็นส่งเสียเองเจ้าเล่าเรียนจนถึงต่างประเทศทั้งคู่มีใจหญิงป่าแสดเมื่อจะรอข้าเอาหลานมาเลี้ยงอีกเ อ, เอาลูกมาให้เลี้ยงอีกเขไม่เอาหรอกพ อ, อกแล้วพ อ, อ ก, กันทีแล้วก็เอพอก็โกแล้วมีครอบครัวแล้วเราก็อำลาแล้วก็ส่วนลูกชายก็ดูแลแม่เขา แม่เขาก็มีน้องสาวเป็นนายทหารมาดูแลแล้วก็มีลูกของเพื่อนมาดูแลจัตวาบก็มีมีแล้วเขาก็เลยสบายไปแล้วแล้วต่เราเป็นคนแก่ถ้ากลับไปลำบากไม่รู้สิก็ตาสบายกต่เขาลำกบาหนอยู่อยู่กับเจาองบ้านอะไม่ได้อ แต่ถ้ามีอยู่แล้วไม่เอามาไว้ในใจมันก็ไม่ไม่มีทุกอะไรแต่ถ้าเรามีแล้วเอามาไว้ในใ จ, นจเราก็จะโูนทุกขจึงบอกว่าดูใจของตัวเองเลยทุกคนดูที่ใจของตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรอยู่ในใจจริงไหมมันหลอกใครไม่ได้หรอกหลอกคนอื่นหลอกได้หลอกใจตัวเองหลอกไม่ได้ใช่ไหม หลอกคนอื่นหลอกได้หลอกใจตัวเองหลอกไม่ได้ว่าไม่มีใครอยู่ในใจแล้วหลอกไม่ได้แล้วทาไมมีอะไรอยู่ในใจแล้วมันจบแล้วจบแล้วมันอดี่หลอกคนอื่นจะหลอกเขาทำไมเพระไม่มีใครอยู่ในใจก็จบแล้วแค่นั้นแหละแต่หน้าที่จะทำกันไปเธอกับฉันพบกันเพียงแค่ชาติสุดท้าย ไม่ใช่ว่าจากมาด้วยความเกียรติชงแต่จากมาด้วยความรักความเมตตาเมื่อเราพบทางให้่ยนทุกข์แล้วพบแจกสว่างแล้วพบความพนทุกข์แล้วเราก็จะได้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่พบความพทุกข์เราก็ช่วยคนอื่นให้พ้ทุกข์ไม่ได้เพราะเรายังหาทางไม่เจอ ถ้าเราหาทางไม่เจอแล้วจะไปช่วยใครได้ตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้มันจะไ ป, ไปหาไปช่วยใครได้เอ อ, เ อ, อทำไมกิเลสไม่มีแล้วทไมยังไม่ร้วันนี้ไนไาไม่เจอหาอยู่แน่ๆไอพ่อหาได้ไหนมันเลยหาไม่เห็นเออพอเราเข้าใจแบบนี้เราถึงมามาจี้ว่ากับคุณได้จี้เอาเลยจี้เอาจี้เอาจีเอามันไม่มีหร่อโอ้โห่โ อย่างที่มาดิพานสุดเอื้อมเอื้อมอะไรไม่มีเราไม่มีสุดเอื้อมสุดเอ้อมเลยครับมันอยู่ที่ใจของเราคนนี้แหละว่ามันวางไหมเระมันได้มีวันจะสุดเอื้อมสุดอะไรเราโอ้ยเย้โมวันสุดที่จะไปป่ัดสุดที่จะเอื้อมเรามีบารมีพออะไรหรือเปล่าเนี่ไม่ไม่ใช่หรอคือมันเราเนี่ยวางหรือยัง่ะแค่นั้นเองมันถามใจตนเองว่ายังมีอะไรไม่อยู่ในใจอ่ะ ถ้ายังมีรวยในใจอะไรก็รีบวางว่าเดี๋ยวจะตายแล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่มีมันเอาไปไม่ได้นักแบกไปไม่ได้ไม่ว่าจะมีกี่บ้านบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่แล้วก็แบกไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วแหละแบกบไปไม่ได้สัก บ, บ้านหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวไปจากตายเลยเป็นว่าขาผมผมไม่มีเงินหมดเงินกลับไปหาเขาเท่านันแหละบ้านเล็กก็ไม่เอาแล้วไม่ยอมให้เจ็ดหัวสรงไปหาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็ไม่เอาเจ็ดหัวหัวทง เขาก็เลยไล่เอาเห็นไหมไปบ้านไหนบ้านไหนเขาก็ไล่เอาไอ้ความรักกันมันก็เป็นเพียงแค่มายามายาแต่เวลาลุ่มลงมันลุน่มหลงจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นมายารลยมันลุน่มหลงจริงๆนะถ้าเราลั่นก็จริงเนะี่ยเราต้องวางให้หมดใจเรานะวางให้หมดไม่ให้มีเขาอยู่ในใจ เออจนกระทั่งตำรวจหมดไม่มีอะไรในใจคนระับเออเไม่มีอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรสักอย่างโลกก็ไม่อยากได้อะไรใครก็ไม่อยู่ในใจเออแต่สไมัยไม่รู้นิพพานอ้่นปัญหาเราก็มาวางทีวางความอยากที่รู้นิพพานเออถ้าเรารู้หนทางแบบเนี้ยเราก็ไปช่วยเขานี่ความรักนะแต่ไม่ใช่รักแบบกิเลสปัญหาแต่ รัวกว่าปาจจณาให้คนทุกข์คือเราเนี่ยต้ช่วยตัวเราให้พนทุกข์ก่อนพอเราหลุทางแล้วเออนี่ดๆนี่เดินแบบนี้เดินแบบนี้ช่วยเดินแบบนี้ช่วยปฏิบัติแบบนี้เดินทางแบบเนี้เออแล้วเธอก็จะ พ, นพ้นทุกข์ได้นะเพราะเธอกับฉันก็พบการเช้าสุดท้ายถ้าเธอไม่พ้นทุกข์เธอก็หมดโอกาสเลไม่ต้องมาเจอฉันอีกต่อไปฉันก็ไม่เจอเธอต่อไปแล้วฉันหายแว บ, บไปเลยหายตัวไปจิตพอฆ่าคนไหนบรรลุ วันนี้ผานแล้วเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยไอจิตวิญญาณมก็เลยดับไปเหมือนเหมือนกับไฟเปลวไฟที่ทิ้งเชื้อหายไปเธอกับฉันกับพบกันชาติสุดท้ายมันเธอต้องรีบปฏิบัติให้มันพ้นไปฮะเพราะไม่เกิดไม่มีไม่มีโอกาสที่จะไปนี่แล้วมันเป็นเธอกับฉันพบกันชาติสุดท้ายมันเธอต้องเร่งปฏิบัติให้มันพ้นไปเพราะว่าคนสอนมีแล้วทางเราบอกแล้ว คนชีทางเขาบอกแล้วมันไม่มีไงเรา อ, อ, อุย้ยมันอัดเอือ้อมมันสูงเกินไปเราปรารถนาจะถึงหรือไม่ไม่มีหรอกมีแต่ปัจจุบันอาวางหรือยังนะ่ะแค่นั้นเนี่ถามใจตนเองอะยอมวางไหมเนี่ยแต่ยากที่สุดคือผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยจะวางอะไรง่ายๆผู้ชายวางได้แต่ผู้ชายในโลง มันวางคนนี้จะไปหาคนใหม่หวางคนนี้แล้วไปหาคนใหม่แล้ววางคนนี้อีกแลไปหาคนใหม่อีกไม่เลีบ้านบ้านใหญ่บ้านเล็กเนะี่ยผู้ชายก็วางวางง่ายผู้ชายวางง่ายผู้หญิงวางอะไรม่ได้อือผู้หญิงวางอะไรไม่ได้ม ไ, ไ, ม ไ, ดไม่ยอมวางในสักอย่างเดียว มันเลยยากมากเนี่ยมันยากมากอีกตรงนี้เนะี่ยถามตัวเองนะถามใจตัวเองถ้าอยากบรรลุนิพพานเะนี่ยวางหรื อ, อยังวางให้หมดอะไรยังไม่วางวางให้แต่หน้าที่ยังต้องทําอยู่นะแต่ใจอาวางเจอกับฌานพบกันชาติติ้ท้ายก่อนแล้วใช้นี่กรรมกันหมดแล้วมาใช้นี่กรรมอือแต่เธอตรง ต้องเล่งปฏิบัตนะินะเธอต้องเร่งปฏิบัติเธอไม่ปฏิบัติเธอก็ทุกเองฉันบอกแล้วบอกทางเธอแล้วว่าอย่างนี้นะทำอย่างนี้วางอย่างนี้ไปวางอย่างนี้ทําอย่างนี้เออเธอจะพ้นทุกข์ือนกันนี่แหละเนี่ยสมมติอย่างนี้นะไปบอกเขาอย่าเงี้ยมันก็จะง่ายนะมันก็จะได้หราอว่ามันไม่มีอะไรยุ่งยาก เมื่อก่อนเราว่ามันยุ่งยากมากเลยแต่เราว่าไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากมันยุ่งยากตรงจิตใจไม่ยอมวางมันยากที่หัวใจนี่นะที่ไม่ยอมวางการปฏิบัติไม่มีอะไรยากยุ่งยากสำับซับซ้อนเลยมันยากตรงจิตใจไม่ยอมวางนี่ไงแค่นี้ไงถ้าใจมันยอมวางก็ไม่มีกรรมวิธีอะไรเลยไม่มีกรรมวิธีอะไรจริงๆวางในปัจจุบันวางหมดคนทุกหมดเลยพอคะอย่าง อย่างอใจที่คิดนี่ยจะยังเราจะสํารวจความคิดของตัวเองตลอดเลยไอความคิดในการวางแผนทํางานนี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมเป็นแล้วมันทาแบบนี้มันต้องมิตรเจ้าก็ต้องวางแผนตลอดนะ่ะวันนี้จะไปสอนใครที่ไหนอย่างไรวางแผนตลอดอนะ่ะเพราะว่าส่วนใหแล้วอย่างอย่างที่คิดเราจะตามดูว่าอันนี้ที่คิดเนี่ย ไปเจะไปตามดูอย่า ง, ง น, ไไนั้น ไ, ไปไล่ตามดูอย่างนั้นทำไมหลงไล่ดูตามดูความคิดไปไล่ยงไงไม่ทันอ่ะใช่ค่ะดูดูว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าถ้จาจะคล้ายๆว่าเออเนี่ยเรากำลังวางแผนจะทํางานตรงนี้โครงการอันนี้อย่างเนี้ยค่ะมันมันไม่ใช่ว่าจยากไม่ใช่ไาอยากรวยไม่ใช่ว่าอยากได้รถใหม่ไม่ใช่อย่ากนั้นเนี่ยเป็นการวางแผนงานที่จะทำงานอยานอันนี้เราไม่ถึงว่าเปิเล อมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ใช้เต็มแม็กก่ยใช้เลยใช้เต็มแม็กเลยแต่รู้ว่าเพิ่มมีเท่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จากทั้หมดแล้วรับรวยกระดานไหนก็เดี๋ยวต้องทิ้งไม่หมดแต่มีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ก็ใช้เต็มแม็กเนี่ยใช้เต็มที่เลยแต่ก็มีความรู้สึกเสมอว่าไอ้ที่หามาทั้งหมดไม่ว่าจะหามาได้มากมายเท่าไหร่ก็ตามเน่ยที่สุดก็ต้องไม่มีอะไรรับเอาไปแม้สักอย่างเดียวแต่การหาไปงั้นเนี่ยเพราะมันมีกําลังความสามารถมีสติปัญญาที่จะหา แต่หาไว้ไม่เพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวคบางทีหนูก็มาถามตัวเองว่าเรืงมันเป็นรินงหรือเล่าแต่ถามว่าที่ทํางานทุกวันเนี่ยอยากรวยไหมเนี่ยไม่ไดีมีความอยากรวยนะฮะกรเพียงแต่ว่าแต่สมองเนี่ยค่ะบางทีหนูก็ถามตัวเองว่าอาจจะเป็นความเฟชินที่ที่เราไม่เคยหยุดคิดเลยว่าเออทานั่นดีทำนี้ดีอันนี้ไหนทำดีไม่ทำดีอย่างเงี้ยสมองมันเป็นหมามาโดยอารมณ์มากเอาะเลื่ปกติ มันมีเราต้องรู้ตัวเราเองอ่านใจขาดว่าที่เราหามาเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายในแค่ภพชาติปัจจุบันนี้หรือเราเนี่ยจะแบกกันไปด้วยดีใจเราจะแบกมันเอาไปด้วยข้ามภพข้ามชาติมันอยู่ดีใจเราอ่านใจเราไม่ขาดว่าเราคิดจะแบกมันไปข้ามภพข้ามชาติหรือว่าเราหามากค่เพื่อความสะดวกสบายแค่แค่ในภบชาติปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ใจ่ายกันในครอบครัวนให้มันสะดวกสบายได้นอนหองแอร์ได้มีความสุขสบายอาบน้ำอุ่นแต่ถึ้งยังไงก็ตามกินข้าวแค่ อินนะเนี่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรไแต่ถ้าเราเนี่ยเอามาใช้แก่สะดวกสบายไม่ได้ว่าติดติดมันฟุ้งเฟ้อเออเหอะไรมันก็ไม่ได้ไปกินอะไรก็เป็นความสามารถเรามีเงินตั้งร้อยล้านจะซื้อรถเบนซ์ราคาหนึ่งก็ไม่น่าเกียดแต่เรามีเงินหนึ่งล้านเอาไปซื้อรถเบนซ์หมดเลยยังไม่พอต้องไปกู้เข้ามาอีก อย่างนี้น่าเกลียดมันเป็นกิเลสแต่เรามีเราหามามีความรู้ความสามารถมาเราหามด้วยน้ําพักน้าแรงมีความรู้ความสามารถแล้วก็หามาแต่เราถึงแม้เราจะว่าเราก็ใช้มันแค่จบครบจานนี่นัเนีะนะ่ยกับครอบครัวก็หมดแล้วกินเท่าไหร่ก็ไปหมดรับเงินทองมีมันต้องมากมายสมบัติพุสถานใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีแต่เป็น 100, 000, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านซื้อรถเบนซ์ตะขันไม่น่าเกลียดจุดซื้อซื้อสิเรียนอะไรนี่ซื้อรถเบนซ์เป็นกิเลสหรือเปล่าครับ ก็ไม่เห็น่าเกลียดอะไรเลยเงินเงนต้องเป็นร้อยล้านพันล้านอยากซื้อก็ซื้อแต่ตามเขาเนี่ซื้อมันเราติดมันแล้วหลงมันไม่เราจะแบกงรถเป็นท์ข้ามทบข้ามชาติหรือเราจะเอามันมาขี่แค่สะดวกสบายในรถสะดวกสบายในปัจจุบันแล้วก็เด็กกระพังเด็กกรพังไปเด็กกรจากมันไปใจเรามีแล้วไม่ยึดไม่จะทุกข์กร้อนอะไรมันอยู่ที่เราอ่านใจเราไอ้ขาดว่าเรามีด้วยความยึดหรือว่าเรามีด้วยความปล่อยวาง Dante, bord, ปลยวางไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่ไม่แสวงหาไม่อะไรเลยไม่ใช่เราแสวงหาทุกอย่างแต่แสวงหาด้วความปลยวางแสวงหาด้วยควมที่ชอบพุทธเจ้ายิ่งบอกว่าสัมมาอาชีวประกอบอาชีพชอบอย่างจะให้ประกอบอาชีพทำมมักแปดอะมักแปดเนี่ยสัมมาอาชีวประกอบอาชีพชอบเราหาวันด้ชยชอะมิจิจะหาได้ทั้งนั้นแ่ะแต่ว่าเราจะแบกมันเหมือนกับที high, ่บอกว่าเราเราจะแบก มีเงินร้อยล้านพันล้านมีรถเบนซ์ขี่มีบ้านหลังใหญ่เราจะแบกมคมนข้ามภูเขาชาติไปหรือเปล่าเราตระแบบไว้ในใจแล้วก็ข้ า, ามภูเขาชาติไปเลยกันใจเราเนะมันคนเอาเป็นคว า, ามภูเขาชาดแต่แบ่งมันไปไม่ได้แล้วแต่ใจเราหนักคาก้ค า, กามภูเขาชาดคือไปตกมาล้เพราะว่ามันไปด้วยความหนักมันเลยไปตกมาล้เราก็มีกวามนับผิดเราก็มีแต่เราทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วเป็นของคนอื่นทั้งหมดแล้วไม่ใช่ของของเราเป็นของของเขา เราก็เคยมีมาหมดแต่ไม่ใช่ขอกของเราลวเลยหลายกี่วั น, นอันนี้มันเท่าไหร่แล้ววันที่สองวันที่สามแต่ก็อีกหลายวันเนาะปีห้าหกสามวันสามปีห้าหกแใจกลับบ้านไปนานแล้วนเนาะือใจกลับบ้านไปหลายรอบแล้วหรือไม่กลับอาจจเตัวให้ขายก็แล้วกันเพราะปฏิบัติหลายวันใจกลับบ้านไปหลายรอบ อันใจกลับ น, นะฉันไม่มีที่ไปเลยไม่รู้จะไปไหนใจมันไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่กลับแล้วที่ไปก็ไม่มีฉันก็ผาพระล่องเร่ไปเรื่อยไปสอนธรรมไปสแสดงธรรมตามที่ต่างๆก็ได้ประโยชน์จากทั้งหมดในการสอนได้ทั้งพระทั้งโยมได้ทังตัวฉันเองจฉันคนสอนนี้ก็ได้ด้วยวก็ได้ประโยชน์ในการั้สอนเขาอย่างไร พูดให้เขาฟังอย่างไรตัวเองก็ต้องทำอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นตอนพูดให้ฟังสอนเขาอย่างไรปฏิบัติตัวเองให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติตัวเองได้อย่างไรก็สอนเขาอย่างนั้นก็มันจะทำให้ตัวเองพัฒนาข้าหน้าอย่างรวดีย็วสอนอย่างที่ทำทำอย่างที่สอนสอนอย่างที่ทำทำอย่างที่สอนมันจะทำให้ตัวเองล้ามหน้าอย่างรวดเร็วเพราะว่ามลายแก่ใจมีวิริศบะลายแก่ใจ สอนเขาตัวเองทำไม่ได้มันมันอายถ้าจะม่มีรีออตปากแบบเนี้ยผู้สอนนี่ยคนทุกเร็วแต่ถ้าสอนไปแล้วก็โกหกเข้าไปเรื่อยไม่ดีหลีออตปา ต, ต, ตัวเองก็ทําไม่ได้อย่างนี้ยมันก็พาเขาหลงทางทั้งผู้ทั้งผู้สอนและผู้สอน การที่เราเมตตาช่วเหลือเพือคนผู้อื่นมันก็ดีทั้งนั้นอย่าที่เราช่วยช่วยชียช้แนะช่วยอะไรเนี่ยก็ดีเงี้ยแต่ต้องมีปัญหาว่าดีข้อแม้ว่าเราต้องปฏิบัติให้ได้อย่างที่เราสอนะเราสอนเขายัางไงตัวเองทําได้เป่าแต่ตัวเองอ่ะยังไม่ปล่อย ไ, ไ่้ไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างเดียวแล้วไปสอนเขา Không จะสอนอะไรสอนสอนีเขาสอน ท, าทํามะธรรมะมันคือการปล่อยวางแต่ตัวเองสอนเขาตัวเองไม่ปล่อยวางสักอย่างเดียวแล้วไปสอนอยังไงเขา สอนให้คนอื่นก็ปล่อยวางธารมมันคือปล่อยวางสอนให้คนอื่นก็ปล่อยวางแต่ตัวเองไม่ปล่อยวางสักอย่างเดียวแล้วจะไปสอนเขาอย่างไรแล้วไม่รู้ด้วยว่าปล่อยวางนี่คือการปล่อยวางอย่างไงปล่อยวางยังไม่รู้เลยวิธีจะปล่อยวางปล่อยวางอย่างไงยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือกิเลสตัณหาหน้าหน้าตาของกิเลสตัณหาที่มันแสดงจริยากันดิ้นรนทยานอย่างเหมือนกับเสือที่ทยานจะเป็นตะปกลูกกวางกินเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเลยในใจตันน่ะ พมื่อในใจตัวเองมองไม่เห็นเจตคติที่มันขนาดดิ้นรนพยายามอยากเหมือนไอ้เสือที่กระโดดไปตะปบลูกกวางกินอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเลยตัวเองยังไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นอ่ะตัวเองยังเป็นเรตตัญหาเต็มๆเลยเพราะตัวเองไม่เห็นนแล้วไม่เห็นอ่ะ ต, ต, ต, ต, ตัวเองก็ยึดเต็มๆเลยตอนเนี้ยเพราะว่าตัวเองตัวเองอ่ะไม่เห็นจิตที่ดิ้นรนพยายามยากนี้ก็ยึดเต็มๆเลยตอนเนี้ยแล้วยึดเนี่ยแล้วไปสอนที่เขาไปสอนธรรมะเขาแล้วสอนอะไง แล้วสอนเขาอ่ะเขาปฏิบัติตามเนี่ยโอ้เขาเชื่อเขาปฏิบัติตามเนี่ยโอ้บาปกรรมมหาเลยโพระอะตัวเองไม่รู้จริงไปสอนแล้วเขามันก็เลยพาเขาหลงทางปิดทาไปหมดเลยายเขากระจาจผิดตอนนี้แหละบาปบาปหนักมหาเลย่ะมันต้องสอนเขาอย่างไรตัวเองต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนั้น เมื่อตัวเองปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็สอนเขาอย่างนั้นสอนเขายังไงปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็สอนเขาอย่างนั้นต้องต้องจริงอย่างที่สอนสอนอย่างที่จริงจริงอย่างที่สอนสอนอย่างที่จริงอย่างนี้เรื่อยไปมันึจะพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี่ตัวเองก็ทําไม่ได้แต่สอนไม่เรื่อยแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยมันจะว่าทาไม่ได้นะไม่ได้ทําด้วยบางคนบางคนไม่ได้ทําเหมือนทีทีสอนไม่ได้ทําด้วยตัวเองก็ไม่ได้ทำแต่สอนเขาเอาสอนเขาเอาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลยไม่ได้ปฏิบัติเลย แต่สอนเขาเนี่ยสอนสอนสอนแต่ตัวเองอทําไม่ได้ยึดหมดเลยอ่ะไอหนุก็ยึดไอหนี้ก็ยึดไอ น, นั่นก็ยึ ด, นนยดไม่วาสักอย่างเดียวต้องดูใจเราให้ดีนะดูให้ดีหลอกคนอื่นก็หลอกได้หลอกคนอื่นได้แต่หลอกใจตัวเองหลอกไม่ได้อ่านใจตัวเองให้ขาดยึดก็ะตรงก็ะตรงว่ายึดเออยึดก็ว่างเสียเรารู้ได้ไงว่ายึดระใจมันกระตัวไม่อยู่ในการวิกลับไปหาเขาแล้ว ตัวกับใจไม่อยู่ในการวิ่งกลับไปหาเขาแล้วนี่มันยืดเส้นเห็นไหมยึดยึดก็รู้ว่ายึดแล้วก็วางใช่ไเนี่ยเพราะอะไรเมื่อตัวกัจจัยไม่อยู่ในการคอวิ่งกลับไปหาเขาเรื่อยๆนี่มันยืดสะแท้เลยยืดเพราะเมื่อมันไม่มีรู้จะวิ่งกลับไปหาใครมันไม่มีที่ไปมันก็จะไปไหนใจมันก็เลยไม่รู้จะไปไหนว่าใจไม่รู้จะวิ่งไปหาใครมันรู้จะกลับไปไหนไม่รู้จะไปหาใครจะไปไหนก็รู้จะไปไหน ใครนิมนต์นนน ไ, ปนนไปสอนก็นสอนไปเรื่อยใครนิมนต์ไปสอนก็สอนไปเรื่อยใครไม่นิมนต์ไปสอนจะก็ น, นอนหลับเออจะาก็นั่งหลับนอนหลับไปอยู่ก็กินข้าวก็นอ น, น, นใครนิมนต์ให้ไปสอนกับไปเรื่อยเแค่ไม่มีหรอกวัดตนเองก็ไม่มีเัราดูใจของเรายมันไปไหนอ่ะมันมีที่ไปหรืป่า เออถ้ามันมีที่ไปเราเรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันยึดเพราะมันยึดตรงที่มันไปนั่นแหละถ้ามันไม่ยึดอะไรมันไม่มีที่ไปหรอกมันรู้จะไปไหนคือจะไปมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันงงมันไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าแล้วแต่ใครจะนิมนต์ไปและอี่ที่จะไปกลับไปหาอะไรมันก็ไม่มีที่กลับอดีตจะไปข้างหน้ามันก็ไม่มีที่ไปอที่อยู่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนแล้วแต่ใครนิมนต์ไป บางทีก็ถามว่าแล้วัญษาเนี่อาจารย์จอยู่ที่ไหนเออนั่นก็ยังไม่แน่เลยแต่ถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆ่ก็กลับไปอยู่ที่เก่าจะไปเชื่อเขาสร้างวัดเออก็ไปอยู่แค่ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกแค่นั้นเองเนี่ยอ่านใจตัวเองให้ขาดจริงๆนะผู้มาปฏิบัติธรรมหลอกตัวเองตัวใหญ่มาปฏิบัติธรรมมีแต่ท่าทางผิดสวย นุ่งขาวหุมขาวนุ่งเหลืองหมเหลืองมานั่งตามเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินช้าช้านั่งนิ่งนิ่งสวยงามแต่ใจไม่ปล่อยวางใจไม่ปล่อยวางจริงๆแล้วมีแต่รูปแบบมีแต่คำปฏิกรรมนีม่แต่ส่วนมนุ์แต่ใจไม่ปล่อยวางมันก็ปรากฏทับไปเฉยๆกลับไปก็ไปทะเลาะา ก, กันเตะกันตีกัน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 ไปหาเขานะ้กลับไปหาบ้านนะ้อยากกลับบ้านอยากกลับไปหาเขาตัวอยู่นี่กลับบ้านมาแล้กี่รอบแล้วมันไม่เริกไม่ใช่ปฏิบัติหลายวันไม่เริมกนาทีพากันไปปฏิบัตินี่นกันเลยพากันมาปฏิบัติกลางเต้นไวเต้หมดเลยแต่ก็ทยอยเก็บเต้นกลับบ้านไปหลายๆหลายหลังแต่ยิ่งถึงวันสุดท้ายเนี่ย ตื่นมาตอนเช้าออกมาอเต้นหายไปไหนหมดเละไหนวะมันนี่ไม่ให้มรสุตทามันจะมีรอบเช้าอีกอะเอานี่ไปรอบเช้าแต่เต้นมันหายไปไหนหมดแล้วกลับบ้านหมดบอกเขกลับบ้านหมดแล้วเก็บเก็บปุปปัปุปปัปุปบปคนโบราณเขาเลยว่าอะไรนะเวลามาเนี่ยเหมือนหาจะกินแต่เวลาเวลาไปอะอะไรมันไก่จะปินมันมันไม่อยู่แล้วมันไปหมดแล้วพราะไปเรียบร้อย เอาตื่มาหายไปไหกัหมดแล้วเนี่ยออกไปตั้งแต่ปีสี่ปีห้าแล้วอาจารย์ขายไปหมดแล้วเก็บเป็นไปหมดแล้วเพิ่เดียวเท่านะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวแล้วภูมิปัญญเลยบอกว่าพวกมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ในกามมาวจรภูมิในนั้นวนเวียนแต่ในกาลเ่ยมาปฏิบัติมันก็เลยปฏิบัติแบบวนเวียนอยู่ในกามมาวจรภูมิคือมันไม่มีผลออกจากภูมิภพของกามได้แล้ว ความรักความชังถึงปฏิบัติอย่างไงก็ ม, มาหมดเกลื่อนไม่เฉยมันไม่ได้ไปล่อยวางแล้วยิ่งผู้สอนก็ไม่วางอีกแล้วไปสอนมันก็วางตัวเองก็ไม่วางอีกโอ้ ย, ยเล็กไปใหญ่ไม่ได้วางเลยสักอย่างเดียวคืบอกมันไม่ได้สลับซับซ้อนมันยากยากลงที่ใจของตัวเอ ง, เองไม่วางนี่แหละมันยากแค่นี้เอง ใจวางไปแล้วมันมันเริกพูดกันเลยวางหมดแล้วเออวางหมดแล้วกระจบเลยก็เริกพูดกันวางหมดแล้ววางหมดแล้วก็เออวางหมดแล้วกระจกจบมันก็แก่นั้นแหละวางมแล้ววางแล้วกระจกไอ้ที่มันมาปฏิบัติมันไม่วางหรอกมีนจะจะเอาโลกก็ไม่วาง ครอบครัวก็ไม่วางตาแหน่งลาภยศก็ไม่วางตับัตรพัานก็ไม่วางบ้านช่องก็ไม่วางลูกหลานก็ไม่วางแล้วมาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมสาวจะเอาอะไรจะเอาฤทธิ์เอาเดชเอาฌานเอาอวิญญาเอาโสดาบันเอาสกัตาคามีเอานาคามีเอาอาหน์อยู่ตรงฝั่งโลกก็ไม่วางพอมาปฏิบัติธรรมจะเอาเมื่อเลยพอมาปฏิบัติธรรมก็ไม่วางอีกในโลกก็ไม่วางธรรมก็ไม่วาง สรุปแล้วเอาหมดเลยทั้งฝังโลกฝั่งธรรมมันไม่ได้วางอานใจตัวเองให้ดีว่ามันมาเพื่อจะวางหรือว่าเพื่อจะเอาโลกก็ไม่ทิ้งธรรมก็ไม่ทิ้งมันก็จะเอาทุกปฏิปัติธรรมจะมก็จะเอาหมดเละเอาลิ์เอาเดชเอาเอาปัญญาเอาสมาธิของมรรคผลนิพพา น, เอา น, นเอานู่นเอานี่มีคนหนึ่งไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกมาทําไมบอกว่าไอ้ไอ ไปครั้งแรกเลยเจอพอเจอหน้าพ่แม่ครูบาอาจารย์ครั้งแรกถามว่ามาทำไมจะให้พ่อแม่าชาชรรบบครูบอาอาจารย์ช่วยสอนให้บรรลุโสดาบันเนี้ยได้กลับบ้าน่ไมอจ่าบ้าอย่าเป็นบ้าโลกก็ไม่วางอมาปฏิบัติธรรมจะเอาทันทีเลยช่วยสอนให้บรรลุโสดาบันตัวเนี้ยแต่นี่ดีนะจะเอาแก่โสดาบันจะปดีบัตนตัวเนี้ย ก็เลยไล่กับบ้านจะบ้าเลยกลับกับกลับโลกก็ยังไม่ททัจริง้ทํทามาถึงปฏิบัติธรรมจานิพานมันก็เลยเอาอีกโลกก็จะเอาถึงวันวนจะเอาจะเอาจะเอ า, เอามันก็เลยจะบ้าก็เลยไล่กลับไปไปไปไปไปไป่ล่ะโลกก็ไม่ทิ้ททงคำก็จะเอาปฏพปานก็จะเอาเี้ยมันก็เลยนี่น้ําตาไหลเข้าไหลออกทะเลตีนี้ทะรียด เครียดว่าอะไรโลกว่าเอาทอกว่ากว่ามันทงสองมือเลยไม่ได้ปล่อยอ่ะไม่ได้ป่วางอ้าวการคนที่บ่นมากขึ้นทุกวันการคนแก่ที่บ่นอ้าก็อานาจและอนุภาพอันไม่มีสิ้นสุดไม่มีมารจาพระคุณธรรมคุณภาษรคุณพระคุณมิตามรดาครูบาอาจารย์กุศลบุญบารมีคุณงามความดีทีทุกๆท่าน และทจจะบเปลี่ยนปลทั้งหมดจรอดบานเท่าพรบัญชาอันประดานิเทศทุกท่านคนจักทุกคนจักทุกคนจับทุกมีแต่ความทุกข์กายทุมีความทุกข์ายทุกใจศาสนาพิในทางที่ชอบตามแล้สุดจงกลมรกามั่นมงุการอยทา